บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อไปดูปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืกต่อไปคำกราบทูลของมนุษย์ทั้งสิบหกคนสวดมากแล้วจะกล่าวยกจ้องพระพุทธเจ้าในข้อว่าเป็นสักกะหรือจักกุมาและจักกุมาคือทรงเป็นผู้องค์อาจกับทรงมีจักสุ ความโมหะนั้นเป็นคุณธรรมจำเป็นในการครองชีวิตของบุคคลแต่ละคนในโลกนี้เพราะโดยพื้นฐานจิตใจที่เป็นสัญชาตญาณของสัตว์ตโลกแล้วสัตว์ตโลกนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของความกลัวาการแก้ไขให้ความกลัวผ่อนคลายลงไป จนกลายเป็นไม่กลัวจากไม่กลัวกลายเป็นองอาจกล้าหารแต่ความองอาจกล้าหารนั้นก็จะมีขึ้นไปเป็นชั้นๆโดยลำดับจนถึงถึงเป็นผู้กล้าหารอย่างแท้จริงให้มีอะไรสามารถโยกล้อนให้เกิดความบวั่นไหวได้ก็อยู่ที่การพยายามลดละผ่อนคลาย เลสซึ่งมีอยู่ภายในใจให้เจอจางเบาบางลงไปแล้วความกล้าหาญก็จะบังเกิดขึ้นก็นี้เพิงสังเกตว่าการที่บุคคลเกิดความหวาดกลัวด้วยประการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนกับรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนเช่นว่าเราไปในสถานที่ใดที่หนึ่ง มีความหวาดกลัวอันตรายนี่แสดงให้เห็นว่าความหวาดกลัวนั้นเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนหรือมีตัวเราอยู่ในที่นั้นแต่ถ้าหากว่าจิตใจจะยอมรับความจริงในชั้นใดชั้นหนึ่งได้ความหวาดกลัวก็จะลดน้อยถอยลงไปเองโดยลำดับเช่นมีความรู้สึกว่า คนเราก็เป็นไปตามกรรมถึงหมายความว่าในขณะนั้นปัญญาเกิดพินิจพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตว่าสัตว์โลกนั้นเป็นไปตามกรรมเมื่อกามมันมาถึงเราจะอยู่ในที่ไหนมัาก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นอันตรายไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าแม้สัตว์ทั้งหลายจะไปในซอกปูเขาไปในมหาสมุทรหรือล่องไปในอากาศ หรือจะอยู่ท่ามกลางการรักขาป้องกันให้หนานแน่นยังไงก็ตามเมื่อความตายมาถึงไม่มีใครสามารถที่จะดิกเลี่ยงได้เมื่อปัญญาเกิดเห็นประจักษ์ขึ้นในระดับนี้ได้ความกลัวก็ลดลงไปแ้วถ้าหากว่ากิเลสประเภทอื่นเกิดลดตามไปเช่นว่า กิเลสประเภทโลภะหรือโทสะเมื่อได้ใช้ปัญญาพิพพจารณาแล้วกิเลสประเภทโลภะก็ลดตามไปด้วยโทสะเองก็ลดตามไปการกระทําอะไรไปตามหนาจของโลภะโทสะก็น้อยลงไอบาปรกรรมที่จะก่อให้เกิดความหวาดระแวงที่ทรงใช้คําว่าวิปัสสันก็น้อยตามไปด้วย าความกลัวแม้แต่เกิดขึ้นจากการตรึกนึกก็จะลดลงไปจากจิตใจของบุคคลดังนั้นในขั้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกระดับตั้งแต่เริ่มจากทานเป็นต้นไปยังมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งที่ทรงแสดงว่าเป็นผู้ไม่กลัวต่อปรโลคคือไม่กลัวตายและไม่กลัวว่าตายแล้วจะไปเกิดในที่ไหน แล้วมีสุขทุกข์อย่างไรท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อมั่นในกฎของกรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว ก, ก็ลดละส่วนที่เป็นอกุศลเพิ่มพูนส่วนที่เป็นกุศลไว้เมื่อถึงคราวจะต้องตายก็เข้าใจยอมรับกติแห่งธรรมดาว่าชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องตายในวาดวันพรัร่งพึงต่อความตาย จิตใจที่เป็นเช่นนี้ก็จะเป็นจิตใจที่สงบผ่องใสได้ในระดับหนึ่งเมื่อจิตผองแผ้วก็บังเกิดในสุขติเลยก็กลายเป็นผู้ไม่กลัวต่อปรนโลกเพราะถือว่าแม้จะตายจากไปตนก็จะไม่ประสบความเดือดร้อนน่าจะมีความสุขกว่าที่อยู่ในโลกนี้ด้วยซ้งไปดังนั้นปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัว จึงอยู่ที่ปริมาณของกิเลส ท, ที่มีอยู่มากภายในใจของบุคลคลกรนี้พึงสังเกตเทียบเคียงว่าระหว่างคนกษัตริยว์สิริฉานนั้นสัตว์สิริฉานจะเป็นสัตว์ที่ระแวงภัยหรือกลัวภัยมากกว่าคนคือมองอะไรกลัวไปหมดตบมือก็ต้องกลัวแล้วหรือบางทีเสียงอะไรดังก็วิ่งหนีแล้วแต่เรามองลงไปว่าทาไมเกลกลัวมากอย่างนั้นก็ว่าสัตว์สิริฉานนั้นโมหะมาก คื่ความหลงมากไม่สามารถจะวินิจฉัยตัดสินยแยกแยะได้ว่าอะไรควรกลัวหรือไม่ควรกลัวอะไรควรกล้าเป็นต้นแต่พอมาถึงคนเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นใครที่ไม่มีการฝึกปลืออบรมตนเองมาก็จะหวาดกลัวไปด้วยประการต่างๆแม้จะเดินไปในที่ใดที่ถึงเกี่ยวข้องกับใครหรือไปทําอะไรก็จะมีหวาดกลัวมีความหวาดกลัวอยู่โด้วยลำดับ ถ้ามองกลับไปที่ใจเพาะทำไมใจจึงเป็นเช่นนั้นเรวก็ตอบได้ว่าเพราะใจไม่รู้ไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะทำอย่างไรจะพูดอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรแต่ถ้าคนที่มีความจำนิชํำนานทำได้เก็แสดงว่าใจมีความรู้อยู่ก็จะเกิดความกล้าหารที่จะจัดที่จะทำที่จะเข้าไปหาบุคคลเล่านั้น ลักษณะเหล่านี้บุคคลสามารถตรวจสอบได้ในชีวิตประจาวันของตนได้ว่าบางเรื่องบางการณีเราก็ไม่หวาดกลัวอะไรแต่บางเรื่องก็หวาดกลัวบางทีก็กลัวมากกลัวน้อยเป็นต้นเมื่อมองกลับมาที่ใจก็จะพบตัวปัญหาคือความรู้กับความไม่รู้นั่นเองถ้าก็ยังมีความไม่รู้ในเรื่องนั้ น, น, นอยู่มากเท่าไหร่ก็จะมีความหวาดกลัวมากเท่านั้น แต่พอมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่าไรความบาดกลัวก็จะลดลงไปโดยดําดับบางครั้งก็อาจจะอาศัยศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นในหลักการที่ถูกต้องแต่พึงเข้าใจว่าเมื่อศรัทธาเกิดปัญญาเขาก็เกิดตามเพราะเป็นธรรมะที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันปัญญาเป็นตัววินิจฉัย วัตถุบุคคลเรื่องราวที่ควรแก่การปลูกศรัทธาหรือไม่ควรแก่การปลูกศรัทธาและในขณะที่ปลูกศรัทธาอยู่ปัญญาก็เข้าไปกำกับพินิพจนาสอดส่องว่าจุดไหนควรศรัทธาจุดไหนไม่ควรศรัทธาไม่ใช่ว่าพอศรัทธาไปแล้วก็ศรัทธาไปด้วยประการทั้งปวงคือบางอย่างไม่น่าศรัทธาก็ต้องไม่น่าศรัทธาเพราะอะไรเพราะว่าในสิ่งที่เราคิดว่าดีนั้น ก็จะมีส่วนที่ไม่ดีอยู่เมื่อจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็ต้องแยกส่วนที่ไม่ดีออกไปให้ได้ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนเราก็อาจจะหากล บ, ลบกันไปได้คือไม่ถือเอาความสมบูรณ์ในชีวิตของคนคถือว่าคนเรานั้นไม่มีใครที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงผู้สมบูรณ์ในโลกนี้ก็มีเฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้น เพียงแต่ว่าให้สมบูรณ์มากขึ้นโดยลำดับก็เป็นการกระทาที่ควรแก่การปติประโมดของบุคคล น, นั้นและนมวมทนาสาธุการของบุคคลที่ได้ประสบพบเห็นซึ่ง้อ น, นี้พึงสังเกตว่าเวลาทรงสดแสดงสุจริต ธ, ธรรมทั้งหลายที่บุคคลประพฤติกระทำนั้นตนเองก็เริ่มจะมองเห็นความบริสุทธิ์ของตน ให้ติเตียนตนเองน้นนอยลงผู้รู้ใช้ปัญญาใครควรพิจิรพิจนาแล้วก็ยกจ่องสันเสริญซึ่งก็หมายความว่าเป็นการเพิ่มภูนแห่งความดีปัญญาสอดสองในชั้นนี้ก็แยกแยะเทียบเคียงถึงความเจริญก้าวหน้าพัฒนาการในด้านต่างๆของตนเองหรือของบุคคลอื่นจะเกิดความปร ะ, ประโมคหรือเกิดยกจ้องตามสมควรแก่กรณีท่นั้น ดังนั้นเมื่อจะนำธรรมะเหล่านี้มาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของตนโดยมุ่งผลไปที่ความกลัวลดลงไปก็ต้องอาศัยใช้ปัญญาเป็นตัววิเคราะห์สอดส่องสิ่งทั้งหลายึงบางอย่างก็เป็นชั้นของการพินิษพิจารณาในการศึกษาปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องนั้นที่จริงแล้วเป็นการเรียนมาจากตนเองเป็นหลักสาคัญ คนนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าอย่างในมหาสติปัฏฐานในสูตรที่ทรงสอนเรื่องกายเวทนาจิตธรรมคำถามว่ากายใครก็บอกกายเรามีเรียนกายคนอื่นอยู่ที่เฉพาะเรื่องป่าชาเก้าเท่านั้นเองแต่ไปเรียนแล้วทําอย่างไรเรียนแล้วก็น้อมกลับเข้ามาหาเราเพราะแม้เราก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ลวงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ จนหมดความสงสัยในความตายในชีวิตในกติที่แท้ที่แท้จริงของชีวิตพอหมดความสงสัยในเรื่องชีวิตมันก็หมดความกลัวจงความตายไปจะเกิดขึ้นในเมื่อไหรที่ไหนอย่างไรก็ได้เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนั่นเวทนาที่เกิดที่ใครก็ตอบปที่เกิดที่เราในขณะนั้นนั้น ใ, ใจเป็นตัวรับรู้ใจเป็นตัวสวบเวทนา เป็นสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าไม่ทุกข์ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์ตามสมควรแก่ลักษณะของเวทนาที่บางเกิดขึด้นเมืถึงคราวดูจิตที่เปลี่ยนแปลงไปตัวไปฝ่ายกุศลบ้างอกุศลบ้างจะมีความเข้มข้นแตกต่างกันทั้งสองฝ่ายถ้าถามมาดูที่จิตใครมันก็ดูที่จิตเรา วิเคราะห์สอดส่องอยู่ที่จิตจะลึกรู้อยู่ที่จิตในขณะนั้ น, น, นเวลาเราลึกอยู่เนี่ยใจของบุคคลก็จะมีความสงบเพิ่มขึ้นปัญญาก็จะสอดส่องมองเห็นส่วนที่เป็นคุณกับส่วนที่เป็นโทษเพราะการเปลี่ยนแปล ง, องปของจิตหักเทไปของจิตนั้นจะหักไปด้านใดด้านหนึ่งอยู่เสมอส่วนที่อยู่กลางๆนั้นจะมีน้อย คือจะตกไปในส่วนกุศลกับอกุศลยินดีก็ยินร้ายห ร, หรือชอบกับชังหรือบ่าวกับบุลอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่เพึงสังเกตว่าจิตจะหักไปในด้านในดนด้านหนึ่งอยู่เสมอก็มองได้ทั้งสองด้านเช่นว่าจิตประกอบด้วยราคะกับจิตที่ปราศจากราคะเมื่อบุคคลวิเคราะห์สอดส่องแล้วก็จะเห็นว่าแตกต่างกัน จิตที่ประกอบด้วยราคะความกำหนัดนั้นจะมีลักษณะก่อให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นโดยลำดับและจิตใจวิ่งสายไปสายไปเป็นแนวดิ่งคือตรงไปเลยก็ได้หรือว่างสายไปโดยไม่มีทิศทางก็ได้แต่มันสายได้ทั้งสองทางลักษณะการสายนั้นอาจจะดูในาการกริยาที่แสดงออกของบุคคลก็ได้แล้วมองย้อนกลับมาที่จิต ท่านบุคคลเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งมีสินค้าหลากหลาย น, นั้นก็อยากได้นี่ก็อยากได้ใจมันก็สายเพราะใจสายก็บงังคับไอเดียปวดสายสายที่หน้าที่ตาไปเรื่อยจนถึงกับความความเคลื่อนไหวก็สายไปสายมาอยู่ในที่นั้นถ้ามองกลับไปอีกทีมาทําไมจึงสายเพะที่จริงกายมไม่สายจิตมันสาย ปัญหาสายก็เลยบังคับให้กายมันสายตามไปด้วยถ้าจิตไม่สายกายจะสายมากก็ไม่สายเพราะการเคลื่อนไหวทั้งหมดจึงเกิดขึ้นมาจากจิตเป็นตัวกำหนดถ้าจิตจิตถูกปรุงด้วยสิ่งเหล่านี้จิตก็ต้องสายเป็นธรรมดาแล้วถ้ามองกลับไปในสายของวิราคะคือไม่มีราคะความกหนัดให้ที่จริงวิราคะที่จริงๆนั้นคนมีไม่ได้ แต่ก็มีอยู่ได้นานๆนานคนมีไม่ได้ก็มีได้ในช่วงสั้นๆแต่บุคคลจะเห็นว่าความสงบจิตจะสงบจะนั่งสมาธิก็สงบอยู่เพราะว่าจิตมันไม่แล่นไปไม่แล่นไปขวอยคว้าอารมณ์ที่น่าคร่น่าปรารถนาน้าพอใจหรือแม้แต่ไม่น่าพอใจเพราะอย่าลืมว่าอีกด้านหนึ่งของราคะนั่นก็คือโทสะ อาจจะออกมารูปของโทมนัตคือน้อยใจเสียใจครับแค้นใจเพราะสิ่งอันเป็นที่รักของตนทัดพราดจากไปแต่เมื่อไม่มีทั้งสองฝ่ายเมื่อไม่มีราคะก็แสดงไม่มีโทสะด้วยเนื่องจากไม่มีอะไรที่จะทําให้เกิดโทสะเพราะโทสะมันก็เกิดขึ้นจากตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนถ้าใจไม่ไปกําหนดความเป็นตนด้วยความเกี่ยวเนื่องด้วยตนโทสะก็ไม่เกิด ดังนั้นเอราคาสงบโทสะเอง ก, ก็สงบตามไปด้วยบุคคลจะเห็นสภาพจิตที่ผิดแปลกแตกต่างกันออกไปและความแกลกลาก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใ จ, ใจด้วยลับ น, นี่ก็แสดงว่าดูที่จิตเราไม่ได้ดูที่จิตคนอื่นพอมาถึงธรรมะที่ทรงจแน่งแสดงออกเป็นหลายหมวดด้วยกันทุกๆหมวดนั้นดูดูที่เรา แก็โดยเฉพาะเช่นที่ทรงแสดงเหตุเกิดของสมุทัยทั้งหลายก็สมุทัยคือเหตุเกิดของความทุกข์ได้แก่เหตุเกิดของปัญหาต้นตั้งปัญหาว่าไอ้ปัญหาเวลาเกิดจนะเกิดที่ไหนเวลาตั้งอยู่จะตั้งอยู่ที่ไหนทรงแสดงว่าจะเกิดหรือตั้งอยู่ก็ที่อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นหายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปวดกระพะ หรือวิญญาณความรู้รูปรู้เสียงเป็นต้นทั้งหกประการหรือแม้กระทั่งสัมผัสจุดที่กระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกจงเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นวิญญาณเรื่องจะเกิดขึ้นจากความสรงจำเป็นบุคคลไปประสบพบเห็นรูปในอนดีตไว้และเกิดความพอใจในรูปนั้นจำหมายรูปนั้นไว้ในฐานะเป็นที่น่าคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจ พอใจเป็นเหนียวนึกถึงสิ่งที่ตนจำตนาความทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นก็บังเกิดขึ้นให้ลองสังเกตว่าบางครั้งจะไปพบของที่ชอบใจไปแต่ตอนนั้นยังไม่ตัดสินใจซื้อแล้วก็เดินออกมาจากร้าน น, นะไอ้สัญญามันเกิดนึกขึ้นได้ว่าของนั้นดีหายากแอ้เกิดอยากได้ถ้าอยากได้พอประมาณมันก็อาจจะไม่ต้องกลับไป แต่ถ้าความอยากเกิดขึ้นสูงก็ต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งบางทีอาจจะกลับจากที่ไกลๆเลยทั้งไปนั่นคืออะไรคือแรงส่งของตันหาไปมีการผลักดันซึ่งต้งใช้คบว่าเสือกใสคือขับใสหรือเปลือกไสผลักดันให้คุณคนเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วทีนี้เมื่อบางครั้งสิ่งที่เราจำไว้นั้นเองก็เกิดจากคิดถึงคิดถึงสิ่งเหล่านั้นก็เกิดตันหาได้ หรือบางครั้งเกิดซ้อนขึ้นในตัณหานั่นเองก้นี้เรนสังเกตว่าตัณหาเกิดจากตัณหาเช่นอะไรเช่นบุคคลเกิดความอยากในสิ่งหนึ่งแล้วก็อยากในสิ่งนั้นเองเพิ่มขึ้นแสดงว่าตัณหาในสิ่งนั้นเกิดเพิ่มมาจากสิ่งนั้นเองบุคคลบางคนอาจจะเล่นอะไรเหมือ น, อนกั น, นหลายอย่างแสดงว่าเป็นอาการของตัณหาที่เกิดขึ้นจากตัณหา มีเสื้อผ้าสีเดียวกันหลายผืนมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆชนิดเดียวกันหลายอย่างถ้าได้มาตันหามันเกิดซ้อนอยู่ที่ตันหาหรือแม้แต่กินอะไรอยู่สม่ำเสมออยากกินถึงนั่นอยู่สม่ำเสมอก็คือตันหาที่เกิดขึ้นจากตันหาบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นมาจากวิตกคือความตรึกของบุคคลบางครั้งก็อาจจะเกิดมาจากพิพจารณาคือเมื่อก่อนก็ไม่เกิดตันหานะ แต่พอพิจารณาไปพิจารณาไปเออนี่สวยดีนี่งามดีนี่น่าพอใจใจบ้างก็เพิ่มความอยากกันไปโดยตลอดในสุดก็ออกมาเป็นรูปตานาถ้าจะถามมาดูที่ใจใครพี่จะตอได้ว่าดูที่ใจเราเองใจใครก็ใจคนนั้นพูดเป็นไทยง่า ย, ายๆว่าควายใครก็เข้าข้อบคนนั้น แสดงให้เห็นว่าพวกเหล่านี้จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ใจเราเองถ้าหากว่าบุคคลลดตัญหาเหล่านี้ลงไปได้ความกลัวไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็ไม่เกิดขึ้นให้ลองสังเกตว่าบางอย่างเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นจากการได้การมีการเป็นได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็กลัวคนอื่นก็จะมายุ่งแจ้งกลัวคนอื่นก็จะมา ทำลายสิ่งที่ตนได้ตนมีตนเป็นบางทีไปกลัวกาจะไม่ได้จะไม่มีจะไม่เป็นแต่ถ้าบุคคลลดละทั้งความมีความเป็นลงไปได้คือความอยากมีอยากเป็นลงไปได้ความหวาดกลัวก็จะน้อยลงดังนั้นพวกเหล่านี้จึงมาเกี่ยวกับตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับต น, อ, บนอีกบาลีตัน้นใช้คําว่าอัตตาอัตตนญญา คือมีตนก็มีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตดยกตัวอย่างว่าเช่นมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในที่แห่งหนึ่งเราได้รับข่าวคราวจากสิ่งเหล่านั้นบางทีอาจจะรู้สึกเฉยๆบางทีรู้สึกจะตกใจหวาดกลัวถ้าถามใจตัวเองว่าทำไมหวาดกลัวเพราะมีคนของเราอยู่ในที่นั้น แสดงว่าความหวาดกลัวนั้นเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนถ้าไม่มีอะไรที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนอยู่ในที่นั้นความหวาดกลัวก็ไม่เกิดขึ้นความโศกก็ไม่เกิดขึ้นแต่นั้นวิธีการของพระพุทธเจ้าต้องทรงมุ่งหมายที่จะให้บุคคลใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในแง่ของสมมติจะความเกี่ยวข้องผูกพันกันในสถานะต่างๆ ก็ให้บุคคลปฏิบัติตนกันต่อการโดยความเอื้อเฟื้อไม่เบียดเบียนหรทุสร้ายกันหรือไม่ทำหน้านที่ของตัวใ้ปกคร่องแต่ในจุดนั้นเองก็ต้องเตรียมใจรับความจริงเอาไว้ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นเสมอไปอย่างที่ ในทุกขกษัตริย์ที่ทรงแสดงคำบาลีว่ายำปิดชัางนัลภปติตำปีดุกขังต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นตามที่ต้องการก็เกิดเป็นความทุกข์ถ้าจะถามว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นเป็นอย่างไรให้พึงสังเกตว่าเราต้องการตรงกันข้ามกับทุกข์ ที่ทรงแสดงว่าสัตว์ผู้มีความเกิดมีความแก่มีความตายเป็นธรรมดาแล้วต้องการไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายมีความโศกมีความร่ำไรรำพันมีความทุกข์มีความเสียใจมีความคับแค้นใจแล้วต้องการตรงกันข้ามือต้องการไม่ให้โศกต้องการไม่ให้ร่ำไรรำพันต้องการไม่มีความทุกข์ต้องการไม่มีความเสียใจต้องการไม่มีความคับแค้นใจเราต้องการตรงกันข้ามกับทุกข์ ทำไมจึงตรงกันข้ามกับทุกเพราะตัวทุกเราไม่ชอบแต่จะตรงกันข้ามกับสุขเราชอบแต่จริงๆแล้วบุคคลก็ไม่สามารถที่จะตั้งความปรารถนาเอาได้สิ่งทั้งหลายจะต้องเป็นไปตามธรรมดาของเขาคทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องแแม้แต่ตัวเราเองก็จะต้องเป็นไปตามธรรมดาของสังขารเหล่านั้น ดังนั้นจะมีคำสอนระดับให้บุคคลเตรียมใจที่พิจนายอมรับความจริงตามหลักที่สวดกันนั่นเองแต่ปัญหาสำคัญว่าสวดนั้นต้องเข้าถึงใจใจยอมรับความจริงในเรื่องนั้นเอาไว้เวลาเกิดปัญหาขึ้นที่ตนเองปัญญาที่พิจนาเห็นความจริงซึ่งเก็บไว้ภายในใจก็จะเกิดขึ้นวินิจฉัย ตัดสินกรณีนั้นนั้นและจะปรองใจยอมรับในกติของธรรมดาาสิ่งที่จะต้องแตกดับเป็นธรรมดาได้แตกดับไปแล้วของที่จะหายไปเป็นธรรมดาก็ได้หายแล้วสัตว์ที่จะต้องแก่เป็นธรรมดาก็แก่แล้วคนที่ต้องเก็บเป็นธรรมดาก็เจ็บแล้วจะไม่เอาใจไปบวกกับปัญหาเหล่านั้น ในชั้นของการแก้ไขก็แก้ไขเท่าที่อยู่ในวิสัยจะแก้ไขได้ไม่แก้ไขไม่กระทำสิ่งที่เป็นการนอกวิสัยเพราะความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามกระทำในสิ่งที่นอกวิสัยเส้นของแตกไปแล้วไม่อยากให้แตกเมื่อทำไม่ได้ก็ร้องให้เป็นการเพิ่มความทุกข์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องตายไปแล้วก็ร้องให้จะร้องให้อย่างไรไม่มีใครตอบได้แต่คงจะหมายความว่าอย่าอย่าอย่าตายเลยก็แสดงว่าเป็นการปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่ปรารถนาให้คนตายฟื้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะะนบุคคลจึงต้องประสบความโศกปัญญาในการฟินิพิจารณานี้ ในชั้นก็การครองเรือนก็จะเห็นว่าตาสายการเข้าถึงกติของธรรมดาในส่วนนี้ที่จริงก็เป็นความรู้สึกความรู้ระดับวิปัสนาตามแนวของวิปัสนาคือเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในสัตว์ในสังขารทั้งหลายวิปัสนาจึงใช้ในชีวิตประจำวันได้ระดับหนึ่งคือหมายความว่าเวลาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายนั่นเอง ในจำเป็นจะต้องมีรูปแบบจะต้องนั่งสมาธิหรือจะต้องไปที่วัดก่อนยังทำได้จริจึงการปฏิบัติธรรมะถ้าบุคคลมีสติสัมปชัญญะระลึกทันในอารมณ์นั้นๆปฏิบัติที่ไหนก็ได้อย่างที่ทรงแสดงว่าตัทธะตัทธวิปัสสติให้บุคคลเห็นประจักษ์ชัดในที่นั้นๆเห็นเข้าถึงความจริงในที่นั้นนั้น เห็นของแตกถ้วยแตกคนตายก็เข้าถึงความจริงพะสิ่งที่จะต้องแตกจะต้องตายเป็นธรรมดาก็ได้แตกแล้หยุดความโศกไว้ตรงนั้นหยุดความโกรธไว้ตรงนั้นอย่าให้เข้ามาถึงใจเพราะจะโศกก็ดีจะโกรธก็ดีแตจะเสียใจก็ดีไม่ได้แก้ปัญหาแต่เป็นการเพิ่มปัญหาให้เกิดขึ้น การปฏิบัติในลักษณะนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนในส่วนของปัญญาการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของบุคคลอารมณ์อะไรก็ตามจะมีปัญญาเข้ากำกับอยู่เสมอราสามารถที่จะหาประโยชน์จากเรื่องนั้นได้เวลาประสบกับความสูญเสียก็ไม่โศกในท่ามกลางของคนที่โศก ไม่ปรีดีปรายรำพันในทรามกลางที่ของคนซึ่งกำลังปรีดีปรายรำพันอยู่และแม้แต่ยามที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนสัตว์ที่เราไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องแต่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องก็มองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราจะปรารถนาให้ได้คนที่ดีๆมาเกี่ยวข้องกับเราเสมอไปนั่นเป็นไปไม่ได้ เพราะแม้แต่ใจเราบางครั้งเราก็คุมเขาไม่ได้เขากลุ้มเขาโศกเขาเสียใจเราแก้ไม่ให้เขากลุ้มไม่ให้เขาโศกไม่ให้เขาเสียใจเราก็แก้เขาไม่ได้การนับประสาอะไรจะไปแก้คนข้างนอกว่าเขามีการประพฤติมีการกระทําไปที่ชอบใจของเราไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนเรานั้นมีกรรมเป็นของของตนก็ทําไม่ดีเป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับ รับผลด้วยตัวของเขาเองเขาทำดีเป็นเรื่องที่เขาจะได้รับ ด, ด้วยตัวของเขาเองโดยไม่เอาความไม่ดีของเขามาซ้าเติมเราเมื่อขีดเส้นเอาไว้แม่ร่วงล้ากาเกินต้องการได้กันความผิดความไม่ดีของเขาก็อยู่ที่เขาแต่เราไม่ไปดึงเอาความไม่ดีของเขามาไว้ภายในใจเราความสงบภายในใจมันก็เกิดขึ้น จากการพิจารณาในทุกขสัตว์แต่ละข้อนั่นเองท่นหลายจะเห็นว่าถ้าบุคคลได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นความกลัวในปัญหาต่างๆหรือความกลัวในทุกขไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ต่างก็จะค่อยๆลดลงเวลาครองเรือนก็ครองเรือนอย่างมีปัญญาเพราะการครองเรือนที่จึงมีปัญหามาก พระมีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าย้าวเรือนที่ครองไม่ดีก็จะมีแต่ความทุกข์แล้วทำอย่างไรจึงจะครองเรือนได้ดีได้ก็ต้องอาศัยพยายามขยจัดมนทินของใจที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากโรคโกรธโรงนั่นเองให้จางๆลงไปโดยดังๆผู้มีปัญญาอยู่ครอบครองเรือน สามารถทําประโยชน์ได้เกิดขึ้นทั้งแกตนได้บุคคลอื่นเป็นนั้นมากซึ่งก็หมายความว่าแต่ใช้ปัญญาเข้าไปในจุดนี้ได้บุคคลก็สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นได้อย่างมหาศาลเหมือนกันเพราะสุดยอดของคนมีอยู่ทั้งในส่วนของาศาสนาจักรและอาณาจักรแต่เราจะมองเห็นว่า คนที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลมากเป็นพิเศษได้นั้นกิเลสจะต้องจางลงไปจางมากเท่าไรสามารถสร้างสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้มากเท่านั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจต่องความสงบส่อต่อไป